50 languages. เดือนมหินเนมกราคม January. กุมภาพัน February. มีนาคม March, มาร์ชเมษายนเมษายพฤษภาคม May, มิถุนายนมิถุนายนมีอยู่หกเดือนอท6เดือน มกรกาคมกุมภาพันธ์มีนาคมเฟเมเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมิถ <May>, ุนายนกัาคม กรกฎาคมสิงหาคมออกสเตกันยายนสัตตบร <S <S ตุลาคมออกตูเบอร์พฤศจิกายนเนวัมเบอร์ธันวาคม เัมเบอรและยังมีอีกหกเดือนด้วยเอวิเชมหินเนฮารนกกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนจุไนอุกสต์สตัมเบอร์ตุลาคมพฤศจิกายน และทันวาคมออกตูเบรนวมเบร์ดัมบร์